ปริเชตที่6ลำดับวิปัสนาญาณในปริเชตที่1ได้กล่าวถึงศีลวิสุทธิปริเชตที่2กล่าวถึงจิตตวิสุทธิและตั้งแต่ปริเชตที่3าถึงได้กล่าวถึงหลักการปฏิบัติวิปัสนาจนบรรลุทิฏฐิวิสุทธิไปจนถึงญาณทัศนวิสุทธิในปริเชตนี้จะกล่าวถึงวิปัสนาญาณมีนามรูปปริเชทญาณ เป็นต้นที่เกิดขึ้นตามลำดับแก่ผู้ปฏิบัติธรรมพร้อมด้วยวิสุทธิ5มีทิฏฐิวิสุทธิเป็นต้นนามรูปปริเฉทยานและทิฏฐิวิสุทธิความหมายของทิฏฐิวิสุทธิกล่าวไว้ในคำภีวิสุทธิมักว่านามรูปานังยะถาวัทัศนัง ทิฏฐิวิสุทธินามะการยังเห็นรูปสภาพแปรปรวนและนามสภาพน้อมไปสู่อารมณ์สภาพรู้อารมณ์ตามความเป็นจริงชื่อว่าทิฏฐิวิสุทธิผู้ปฏิบัติธรรมตมนายดังกล่าวไว้ในปริเชตที่ห้าแล้วเมื่อสมาธิมีกำลังมากขึ้นความฟุ้งซ่านที่เป็นนิวรมักไม่ค่อยปรากฏขึ้นรบกวนจิต สติมีความต่อเนื่องชัดเจนแม้ในบางขณะความฟุ้งซ่านจะเกิดขึ้นบ้างก็ถูกกำหนดรู้ได้เร็วแล้วหายไปในขณะนั้นสภาวะธรรมทางกายคือวายโยธาตอันเป็นมหาภูตรูปที่กระทบสัมผัสได้คือสภาวะพองยุบนั่งยืนเดินนอนเหยียดคูเคลื่อนไหวเป็นต้น ย่อมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างชัดเจนอีกทั้งมหาภูตรูปที่เป็นความแข็งอ่อนเยน็นร้อนหย่อนตึงซึ่งบุคคลกระทบสัมผัสได้ก็เปลี่ยนแปลงชัดเจนผู้ปฏิบัติธรรมย่อมเข้าใจว่าสภาวธรรมเหล่านั้นย่อมแปรปรวนชัดเจนและเข้าใจว่าเป็นสภาวธรรมที่ไม่อาจรู้อารมณ์ได้เหมือนต้นไม้ก้อนหินเม็ดทราย นอกจากนั้นในบางขณะผู้ปฏิบัติธรรมยังเข้าใจอุปทายรูปคือรูปละเอียดที่อาศัยรูปหยาบเกิดขึ้นเป็นต้นว่าสีเป็นสิ่งที่ถูกเห็นและจักขุประสาทเป็นรูปไสที่เห็นสีได้เสียงเป็นสิ่งที่ถูกได้ยินและโสตประสาทเป็นรูปไสที่ได้ยินเสียง กลิ่นเป็นสิ่งที่ถูกรับรู้และคานประสาทเป็นรูปสที่ดมกลิ่นรสเป็นสิ่งที่รับรู้และชิวหาประสาทเป็นรูปสที่ลิ้มรสเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงเป็นสิ่งที่ถูกระทบสัมผัสและกายประสาทเป็นรูปสยที่กระทบสัมผัสความเย็นร้อนเป็นต้น ทายวัตถุเป็นที่อาศัยของความนึกคิดจักสุเป็นภาษาทรูปคือรูปสายที่สามารถสะท้อนรูปที่มาปรากฏตรงหน้าของตนได้โดยใช้แสงสว่างเป็นเครื่องช่วยเหมือนกระจกเงาสายที่สะท้อนภาพได้ตามหลักพระอภิธรมรมภาษาทรูปก็เหมือนกระจกเงามีหประเภทคือ 1. จักคุประสาท ดำรงอยู่ซึมซาบเยื่อตาเจ็ดชั้นเหมือนน้ามันซึมซาบปุยนุ่นเจ็ดชั้นในฐานะที่เห็นได้ซึ่งเป็นที่เกิดแห่งสรีระสันฐานของผู้ยืนอยู่ตรงหน้ามีขนาดเท่าหัวเลนอยู่กลางแววตาดําที่มีตาขาวแวดล้อม 2. โสตัประสาทดำรงอยู่ซึมซาบตลอดสถานที่มีขน แดงเล็กงอกขึ้นคล้ายวงแหวนอยู่ภายในช่องหู 3. คานะประศาส์ดำรงอยู่ซึมซาบตลอดสถานที่มีสันฐานดังกีบแพะภายในจมกูก 4. ชิวหาประสาส์ดำรงอยู่ซึมซาบสถานที่สันฐานดังปลายกรีบบัวท่ามกลางลิ้นที่ประกอบด้วยอวัยวะสันฐาน 5. กายประสาดดำรงอยู่าซาบซึมตลอดร่างกายทั้งหมดไม่มีเหลือประดุลน้ำมันลดบนผ้านุ่นผืนใหญ่โดยยกเว้นที่ตั้งของไฟธาตุที่ย่อยอาหารปลายผมปลายขนปลายเล็บและหนังแห้งการรู้เห็นรูปในลักษณะแปลปรวนและไม่อาจรู้อารมณ์ได้นี้เป็นการเห็นรูปตามความเป็นจริง เพราะเป็นความเข้าใจรูปโดยลักษณะที่แปรปรวนและโดยอาการปรากฏที่ไม่รู้อารมณ์ดังข้อความในคำภีมูลดีกาและมหาดีกาว่าอเจตโนอพยากตโตติเอตถวิยะอนารมนาตาวาอพยากตตาทัทธพาพึงทราบว่าการไม่รู้อารมณ์เป็นอพยากะตะดังคำว่า อเจตโนอพยากะโตไม่มีเจตนาไม่รู้อารมณ์นี้ข้อความข้างต้นหมายความว่าคำว่าอัพยากตะปัจจุปทานังแปลว่ามีอาการปรากฏที่ไม่รู้อารมณ์ดังคำว่าอพยากะโตแปลว่าไม่รู้อารมณ์ที่พบในคำภีอัตถกถาว่า อิติเกสานามะมัสิมิงสรีเรปาติเยโกโกทาโสเจตโนอพยากโตสุญโยนิสัตโตถัตโทปัทวีธาตุโดยประการดังนี้ธรรมดาว่าผมเป็นปัทวีธาตุเป็นอวัยวะเฉพาะส่วนหนึ่งในสรีระนี้ไม่มีเจตนาไม่รู้อารมณ์ว่างเปล่า ไม่ใช่บุคคลมีความแข็งคําอธิบายความหมายของอพยากตตะสัพที่กล่าวไว้ในคำพีดีกาข้างต้นมีความสอดคล้องอย่างยิ่งกับประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติธรรมเข้าใจจึงจะเหมาะสมในเรื่องนี้นอกจากนั้นผู้ปฏิบัติธรรมย่อมรู้สึกว่าจิตที่กำหนดรู้เหมือนแล่นเข้าไปหาสภาวธรรมมีการพองการยุบเป็นต้น และจิตที่ได้ยินรู้กลิ่นลิ้มรสกระทบสัมผัสต้องการใจเหยียดหรือคู้เหมือนกับแล่นไปหาสภาวะธรรมที่พบอยู่ความรู้สึกอย่างนี้เป็นการรู้เห็นนามตามความเป็นจริงเพราะเป็นความเข้าใจนามโดยลักษณะที่น้อมไปสู่อารมณ์ในเวลาก่อนปฏิบัติธรรมคนทั่วไปมักรับรู้สมมติบัญญัติที่เป็นรูปร่างสันฐาน หรือคําสื่อความหมายจึงเข้าใจว่ามีตัวเราของเราบุรุษหรือสตรีผู้ที่รู้เห็นสภาวะของรูปนามตามความเป็นจริงว่ารูปมีสภาพแปรปรวนหรือไม่รู้อารมณ์ส่วนนามมีสภาพน้อมไปสู่อารมณ์ย่อมไม่รู้สึกว่ามีตัวตนในขณะนั้นรู้สึกถึงความแตกต่างกันของรูปนามเช่น สภาวะพองในขณะพองเป็นคนละส่วนกับจิตที่กำหนดสภาวะยุบในขณะยุบเป็นคนละส่วนกับจิตที่กำหนดสภาวะนั่งในขณะนั่งเป็นคนละส่วนกับจิตที่กำหนดสภาวะเหยียดในขณะเหยียดเป็นคนละส่วนกับจิตที่กำหนดสภาวะคู้ในขณะคู้ เป็นคนละส่วนกับจิตที่กำหนดสภาวะเห็นในขณะเห็นเป็นคนละส่วนกับดวงตาหรือจิตที่กำหนดในคำพีวิสุทธิมักได้นำคาถาของโบราณาจารมาอ้างอิงไว้ว่าสภาวะเห็นอันมีผัสสะเป็นที่ห้ผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาและจิตมิได้เกิดขึ้นจากตา ไม่ได้เกิดขึ้นจากรูปและไม่ได้เกิดขึ้นในระหว่างตาและรูปเป็นสภาพที่ปัจจัยปรุงแต่งอาศัยเหตุเกิดขึ้นเหมือนเสียงกรองที่บุคคลตีแล้วฉะนั้นข้อความว่าผัสสะเป็นที่ห้านับย้อนจากจิตเป็นต้นไปจนถึงผัสสะที่อยู่ลำดับแรกในที่นี้ท่านกล่าวถึงนามธรรมหอย่างที่ปรากฏชัดเท่านั้น แต่ยังมีนามธรรมอื่นที่ประกอบร่วมกันอีกด้วยดังคำพีมหาดีกาของวิสุทธิมักกล่าวว่าอนหนึ่งการกล่าวถึงผสัสษะเป็นที่ห้าในเรื่องนี้เป็นการแสดงนามธรรมที่ปรากฏชัดเมื่อบุคคลยังไม่ได้ตีกลองเสียงกรองไม่ใช่ซ่อนอยู่ในกรองหรือไม้ตีอีกทั้งไม่ได้ซ่อนอยู่ในระหว่างสิ่งทั้งสองนั้น ดังนั้นเสียงกลองจึงไม่ได้เกิดจากกรองหรือไม้ตีหรือระหว่างสิ่งทั้งสองแต่เป็นเสียงที่เกิดจากเหตุที่มาประชุมกันคือกลองไม้ตีและการตีดังนั้นกลองและไม้ตีจึงเป็นคนละส่วนกับเสียงกรองชั้นใดสภาวะเห็นที่ปรากฏในขณะเห็นรูปก็ฉันนั้น คือก่อนจะเกิดสภาวะเห็นนั้นสภาวะเห็นไม่ได้ซ่อนอยู่ในดวงตารูปหรือระหว่างดวงตาและรูปจึงไม่ได้เกิดจากดวงตารูปหรือระหว่างสิ่งทั้งสองนั้นแต่เป็นสิ่งที่เกิดจากเหตุที่ประชุมกันคือดวงตารูปแสงสว่างและความใส่ใจในการดูดังนั้น สภาวะเห็นจึงเป็นคนละส่วนกับดวงตาและรูปในคำพีวิสุทธิมักยังกล่าวถึงสภาวะได้ยินเป็นต้นไว้ตามลำดับว่าสภาวะได้ยินอันมีผัสสะเป็นที่ห้ามิได้เกิดขึ้นจากหูมิได้เกิดขึ้นจากเสียงและมิได้เกิดขึ้นในระหว่างหูและเสียงเป็นสภาพที่ปัจจัยปรุงแต่งอาศัยเหตุเกิดขึ้น เหมือนเสียงกลองที่บุคคลตีแล้วฉะนั้นสภาวะรู้กลิน่นอันมีผัสสะเป็นที่หไม่ได้เกิดขึ้นจากจมูกไม่ได้เกิดขึ้นจากกลิน่นและไม่ได้เกิดขึ้นในระหว่างจมูกและกลิน่นเป็นสภาพที่ปัจจัยปรุงแต่งอาศัยเหตุเกิดขึ้น เหมือนเสียงกลองที่บุคคลตีแล้วฉะนั้นสภาวะลิ้มรสอันมีผัสสะเป็นที่ห้ามิได้เกิดขึ้นจากลิ้นมิได้เกิดขึ้นจากรสมิได้เกิดขึ้นในระหว่างลิ้นและรสเป็นสภาพปัจจัยปรุงแต่งอาศัยเหตุเกิดขึ้นเหมือนเสียงกลองที่บุคคลตีแล้วฉะนั้นสภาวะกระทบสัมผัสอันมีผัสสะเป็นที่ห้า ไม่ได้เกิดขึ้นจากร่างกายไม่ได้เกิดขึ้นจากผัสสะและไม่ได้เกิดขึ้นในระหว่างร่างกายและผัสสะเป็นสภาพที่ปัจจัยปรุงแต่งอาศัยเหตุเกิดขึ้นเหมือนเสียงกรองที่บุคคลตีแล้วฉะนั้นสภาวะนึกคิดหรือการกำหนดรู้ที่มีในปัจจัยปรุงแต่งมิได้เกิดขึ้นจากวัตถุรูปมิได้เกิดขึ้นจากธรรมายตนะ คือสภาวะที่นึกคิดกำหนดรู้หรืออารมณ์เป็นสภาพที่ปัจจัยปรุงแต่งอาศัยเหตุเกิดขึ้นเหมือนเสียงกลองที่บุคคลตีแล้วฉะนั้นผู้ที่รู้เห็นรูปนามอย่างชัดเจนตามที่กล่าวมานี้ย่อมเข้าใจว่าอากับกิริยาต่างๆมีการนั่งยืนเดินเหยียดคูเห็นได้ยินเป็นต้น ไม่อาจมีได้ด้วยรูปหรือนามอย่างเดียวแต่มีได้โดยการประชุมกันของรูปนามทั้งสองอย่างอย่างไรก็ตามคนทั่วไปมักสำคัญรูปนามนั้นในลักษณะของสมมติบัญญัติจึงกล่าวว่าเรานั่งเรายืนเราเดินเราเหยียดเราคู้เราเห็นเราได้ยินความจริงแล้วไม่มีบุคคลผู้ทำการนั่งยืนเดินเป็นต้น มีเพียงรูปนามสองอย่างที่ประชุมกันเท่านั้นดังคำภีวิสุทธิมักได้อธิบายว่า 1. โดยแท้จริงแล้วรูปย่อมดําเนินไปโดยอาศัยนามและนามก็ดําเนินไปโดยอาศัยรูป 2. เมื่อนามมีความต้องการจะเคี้ยวดื่มพูดและทําอิริยาบดรูปจึงเคี้ยวดื่มพูดและทําอิริยาบดได้ ข้อความข้างต้นแสดงว่าสภาวะอยากเคี้ยวเป็นนามสภาวะเคี้ยวเป็นรูปสภาวะอยากดด่มเป็นนามสภาวะดด่มเป็นรูปสภาวะอยากพูดเป็นนามสภาวะพูดเป็นรูปสภาวะอยากทาําอริยา บ, บทเป็นนามสภาวะทรเอริยาบทเป็นรูป ผู้ปฏิบัติธรรมบางท่านอาจเข้าใจรูปนามโดยการเปรียบเทียบอีกด้วยดังยกตัวอย่างที่กล่าวไว้ในคำพีวิสุทธิมักว่าร่างกายของมนุษย์นี้จำแนกเป็นรูปนามสองอย่างเท่านั้นเหมือนสิ่งเหล่านี้คือรถเป็นองค์รวมของส่วนประกอบมีเพลาล้อตัวถังบ้านเป็นองค์รวมของส่วนประกอบมีไม้หลังคา ต้นไม้เป็นองค์รวมของส่วนประกอบมีกิง่งก้านใบลำต้นร่างกายของทุกคนก็เป็นองค์รวมของอวัยวะต่างๆสภาวะที่มีจริงโดยปรมัตา์คือรูปนามหรืออุปทานขันห้าไม่มีบุคคลตัวเราของเราบุรุษหรือสตรีแต่อย่างใดความจริงแล้วร่างกายนี้ ก็เป็นที่ตั้งของกิเลสก็คือหนึ่งมานะความถือตัวว่าเราดีกว่าคนอื่นสองทิฏฐิความเห็นผิดว่ามีตัวตนสภาวะที่ปรากฏในร่างกายนี้ตามประสบการณ์ในการปฏิบัติคือสภาวะที่แปลปรวนจากระยะหนึ่งไปสู่อีกระยะหนึ่งหรือสภาวะที่ไม่รู้อารมณ์พร้อมทั้งสภาวะที่น้อมไปสู่อารมณ์ คือรู้อารมณ์นั่นเองปัญญาที่เข้าใจอย่างนี้เป็นการอย่างเห็นตามความเป็นจริงความจริงแล้วการเปรียบเทียบดังที่กล่าวไว้ในคำพีนั้นไม่ใช่เป็นหลักสำคัญถ้าผู้ปฏิบัติทำเข้าใจรูปนามอย่างชัดเจนโดยแยกส่วนจากกันได้ว่าในร่างกายนี้มีเพียงสภาวะที่ไม่รู้อารมณ์ และสภาวะที่รู้อารมณ์ไม่มีบุคคลอตตาหรือวิญญาณที่ซ่อนอยู่ในร่างกายนี้ความเข้าใจดังกล่าวจัดเป็นนามรูปปริเชทยานอย่างสมบูรณ์แล้วยานประเภทนี้ชื่อว่าทิฏฐิวิสุทธิคือความหมดจดจากความเห็นเพราะขาจัดความเห็นผิดว่ามีตัวตนดังคำพีมหาดีกากล่าวว่า 1นึ่คำว่านามรูปานังยถาวทัฏสงังการรู้เห็นรูปนามตามความเป็นจริงหมายความว่าการรู้เห็นตามความเป็นจริงมีเพียงสภาวะธรรมโดยมุ่งกําหนดลักษณะของรูปนามเหล่านั้นว่าสภาวะที่กําหนดนี้เป็นนามที่น้อมไปสู่อารมณ์สภาวะที่กําหนดเพียงเท่านี้เป็นนาม ไม่มีบุคคลที่นอกจากนามนี้สภาวะที่ถูกกำหนดนี้เป็นรูปที่แปรปรวนสภาวะที่ถูกกำหนดเพียงนี้เป็นรูปไม่มีบุคคลนอกจากรูปนี้2พึงทราบว่าชื่อว่าทิฏฐิวิสุทธิเพราะขจัดมนทินคือความเห็นผิดว่ามีตัวตนความหมดจดคือความสะอาดผ่องใส ความหมดจดแห่งทิฏฐิคือความสะอาดผ่องใสแห่งความเห็นและปราศจากความเห็นผิดว่ามีตัวตนกล่าวโดยสรุปวิปาานนัสนาญาณนี้ชื่อว่านามรูปปริเฉ ท, ทยานคือญาณกำหนดรูปนามสามารถกำหนดรู้ได้ว่ามีเพียงรูปนามโดยปราศจากสมมติบัญญัติที่เป็นบุคคลเราของเราบุรุษสตรีการกำหนดรูปนามนั้น เป็นการรู้เห็นลักษณะพิเศษคือสภาวะลักษณะของรูปนามอย่างแท้จริงกล่าวคือรูปเป็นสภาวะแปรปรวนและไม่รู้อารมณ์นามเป็นสภาวะน้อมไปสู่อารมณ์คือรู้อารมณ์นอกจากนั้นวิปัสสนาญาณ น, นี้ยังเป็นการรู้เห็นลักษณะพิเศษของรูปและนามแต่ละอย่างเช่น ความแข็งอ่อนเป็นลักษณะพิเศษของธาตุดินการกระทบเป็นลักษณะพิเศษของผัสสะการเสวยเป็นลักษณะพิเศษของเวทนาการจําได้หมายรู้เป็นลักษณะพิเศษของสัญญาการรู้อารมณ์เป็นลักษณะพิเศษของวิญญาณอันหนึ่ง ลักษณะพิเศษของรูปนามดังกล่าวปรากฏในปัจจุบันขณะที่ประกอบด้วยขณะจิตสาคืออุ ป, ปาทคขณะขณะเกิดขึ้นทิติขณะขณะตั้งอยู่และพังคาขณะขณะดับไปไม่ปรากฏในอดีตที่ดับไปแล้วและอนาคตที่ยังมาไม่ถึงดังนั้นจึงควรกาหนดรูปนามในปัจจุบันขณะเท่านั้น ปัจยะปริหาญานและกังขาวิตรนะวิสุทธิปัจจยะปริฆาญานคือยานกำหนดรูปปั จ, จัยของรูปนามที่เกิดภายในตนโดยเข้าใจว่ามีเพียงรูปนามที่เป็นผลเกิดจากรูปนามที่เป็นเหตุหมายความว่าผู้ปฏิบัติธรรมที่กำหนดรู้สภาวะธรรมปัจจุบันแล้วรู้เห็นสภาวะแท้จริงของรูปนาม ย่อมเข้าใจเหตุเกิดของรูปนามได้ตามสมควรย่อมรู้เห็นว่ารูปนามในการครั้งที่สามคืออดีตปัจจุบันและอนาคตเกิดจากเหตุปัจจัยการรู้เห็นในลักษณะนี้เป็นญาณที่ปรากฏตามอัธยาศัยและบารมีของผู้ปฏิบัติธรรมดังคำพีวิสุทธิมักกล่าวว่าอันหนึ่งญาณที่ข้ามพ้นความสงสัยในการสาม ด้วยการกำหนดปัจจัยของรูปนามนั้นนั่นแหละชื่อว่ากังขาวิตรณะวิสุทธิคือความหมดจดด้วยการข้ามความสงสัยผู้ปฏิบัติธรรมที่เข้าใจแล้วว่ามีเพียงรูปนามไม่มีบุคคลเราเขาของเราในขณะนั้นอาจพิจารณาได้ว่ารูปนามไม่ได้เกิดขึ้นเองเพราะได้พบเหตุบางอย่างของรูปนามโดยประจักษ์และ รูปนามไม่ได้เกิดจากการเนรมิตของพระเป็นเจ้าพรหมพระอินทร์หรือเทพองค์ใดองค์หนึ่งเพราะได้รู้เห็นเหตุเกิดบางอย่างของรูปนามแล้วนอกจากนั้นยังอาจพิจารณาต่อไปได้ว่าพระเป็นเจ้ามีรูปนามเหมือนเราและไม่ควรมีใครเนรมิตรูปนามของพระองค์ถ้ามีจริงก็ต้องสืบหาผู้เนรมิต ที abei, up, ่เหนือขึ้นไปอีกขั้นได้จึงไม่ควรมีใครเนรมิตรูปนามได้หากแต่เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยที่เนื่องกันเท่านั้นการรู้เห็นเหตุปัจจัยตามในที่หนึ่งผู้ปฏิบัติธรรมบางท่านรู้เห็นเหตุเกิดของรูปนามในว่า รูปคือร่างกายนี้เกิดขึ้นได้เพราะเหตุสี่คืออวิชาตันหาอุปทานและกรรมที่ทําไว้ในพบก่อนร่างกายนี้ดํารงอยู่ตามสภาพได้ด้วยอาหารที่กินดื่มในพบนี้รูปที่เป็นอากัศกิริยานั่งเหยียดคูมีได้เพราะจิตสั่งที่ต้องการจะนั่งเหยียดคูเป็นต้นรูป ที่มีความเย็นร้อนมีได้เพระาะธาตุเย็นาธาตร้อนเหตุเกิดของรูปในปัจจุบันคือจิตอุตตุและอาหารเป็นสิ่งที่รู้เห็นประจักษ์ได้ง่ายส่วนเหตุในอดีตคืออวิชชาตันหาอุปทานและกรรมไม่อาจรู้ได้ประจักษ์อย่างไรก็ตามผู้เจริญวิปัสสนามีสมา ธ, ธิที่เห็นชอบก่อนจะเข้าปฏิบัติธรรมว่า พบที่ดีและผลที่ดีย่อมเกิดจากกรรมดีพบที่ไม่ดีและผลที่ไม่ดีย่อมเกิดจากกรรมชั่วดังพระพุทธพจน์ที่ว่าทิฏฐิจอุชุกาและความเห็นที่ถูกต้องย่อมพิจารณาถึงอวิชชาตันหาอุปทานและกรรมที่ปรากฏในปัจจุบันแล้วจึงสามารถอนุมานรู้เหตุปัจจัยในอดีตเหล่านั้นได้ เพิ่งทราบว่าอาวิชามีสองประเภทคือ 1. อปติปัติอวิชาความไม่รู้เพราะไม่ปฏิบัติคือความไม่รู้ในทุกขสัตว์อย่างถูกต้องว่ารูปนามและภพเป็นทุกข์และไม่เข้าใจสมุทัยสัตว์ว่าตัณหาที่ปรารถนาสิ่งเหล่านั้นเป็นทุกข์ 2. อมิจฉาปฏิปติอวิชา ความไม่รู้เพราะปฏิบัติผิดคือความเข้าใจวัตถุขศัสตร์ผิดกว่ารูปนามและพบเป็นสุขและเข้าใจสมุทัยศัสตร์ว่าผิดกว่าตัณหาที่ปรารถนาสิ่งเหล่านั้นเป็นสุขอวิชชาทั้งสองประเภทนี้อย่างลึกในจิตของปุถุชนทั่วไปแม้การศึกษาหลักธรรมก็ไม่อาจขจัดไปได้ คนทั่วไปจึงขวนขวายให้ตนอยู่ดีมีสุขและต้องการสิ่งที่น่าเพลิดเพลินยินดีอยู่ร่าไปอีกทั้งภาคเพียรเพื่อให้ได้รูปนามและพบในปัจจุบันคงอยู่ได้ยืนยาวและเพื่อให้รูปนามและพบต่อไปมีแต่ความสุขนอกจากนั้นอวิชายังมีอีกสองประเภทคือ 1. อปติปัติอวิชา ความไม่รู้ในนิโรธาสัตย์อย่างถูกต้องว่าพระนิพพานอนุปาทิเศตนิพพานที่ดับกรรมและกิเลสโดยสิ้นเชิงแล้วไม่เกิดเป็นมนุษย์เทวดาบุรุษหรือสตรีอีกเป็นสิ่งที่ดีงามและไม่รู้ในมรรคสัตย์คือการปฏิบัติวิปัสสนาและไม่รู้ว่ามรรคเป็นสิ่งดีงาม 2. มิจฉาปฏิปฏิอวิชาความเข้าใจนิรโรธศาสตร์ว่าพระนิพพานเป็นทุกข์และเข้าใจมรัรคคสัตต์ผิดว่าการปฏิบัติวิปัสนาและมรรคเป็นทุกข์บุคคลดังกล่าวสำคัญผิดว่าผู้ที่ได้บรรลุพระนิพพานแล้วไม่อาจรับรู้หรือรู้สึกอะไรได้แต่อาจพบกับใครได้ ทำให้กลัวการบรรลุพระนิพพานอีกทั้งยังตาหนิว่าพระนิพพานเป็นการตายที่ไม่มีความสุขและตาหนิคนที่ปฏิบัติเพื่อบรรลุนิพพานว่าทำให้ตนเองเป็นทุกข์โดยเปล่าประโยชน์พระนิพพานเป็นสภาวะดับรูปนามทั้งหมดจึงมีสภาวะเที่ยงเพราะปราศจากความเกิดขึ้นของรูปนาม ที่ต้องตั้งอยู่ในระดับไปเป็นธรรมดาและมีสภาวะเป็นสุขเนรันเพราะปราศจากความเกิดขึ้นของรูปนามที่เป็นทุกข์ถูกบีบคั้นด้วยความเกิดดับอยู่เสมอสรุปว่าวิชาคือความไม่รู้ไม่เข้าใจสัจจะอย่างถูกต้องและเข้าใจสัจจะผิดดังนี้ย่อมเกิดขึ้นตามสมควรในจิตของปุตชน โดยความเป็นสันตานานุสัยคืออนุสัยที่นอนเนื่องในกระแสจิตและยังเกิดขึ้นในอารมณ์ของบุคคลที่ไม่ได้มีการกำหนดรู้โดยความเป็นอารมณานุสัยคืออนุสัยที่นอนเนื่องในอารมณ์ผู้เจริญวิปัสสนาย่อมกำหนดรู้อวิชชาในปัจจุบันขณะแล้วรู้เห็นได้โดยประจักษ์ และอาจอนุมานรู้อวิชาที่เคยเกิดขึ้นในภพก่อนอีกด้วยนอกจากนั้นคนทั่วไปย่อมเพลิดเพลินยินดีรูปนามและพบโดยสัมพันธ์ผิดคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีงามข้อนี้เป็นตัญหาเขาย่อมยึดมั่นเพื่อให้มีความสุขตราบเท่าที่ยังหลงเพลิดเพลินยินดีข้อนี้เป็นอุปทาน และเขาย่อมทำการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้ได้รับสิ่งที่ตนยึดมั่นข้อนี้เป็นกรรมผู้ปฏิบัติธรรมย่อมกําหนดรู้ตัณหาอุปทานและกรรมในปัจจุบันขณะแล้วรู้เห็นได้โดยประจักษ์และอาจอนุมาณรู้สภาพเหล่านี้ที่เคยเกิดขึ้นในภพก่อนอีกด้วยเขาจะได้รู้เห็นโดยประจักษ์ ว่ารูปนามในพบนี้เกิดจากกรรมดีในพบก่อนและสามารถอนุมานรู้ว่ารูปนามเหล่านี้ยังเกิดจากอวิชชาตัณหาและอุปทานอีกด้วยเพราะเมื่อมีกรรมก็มีอวิชชาตัณหาและอุปทานการรู้เห็นเหตุเกิดของนามเช่นในขณะกำหนดว่าเห็นหนอย่อมเข้าใจว่าเป็นการเห็นมีได้เพราะมีตา มีสีคือเหตุเกิดของการเห็นหรือเข้าใจว่าจิตกระทบกับอารมณ์เกิดผัสสะได้เพราะตาสีและการเห็นมาประชุมกันเหตุเกิดของผัสสะในขณะกําหนดว่าได้ยินหนอย่อมเข้าใจว่าการได้ยินมีได้เพราะมีหูมีเสียงเหตุเกิดของการได้ยิน หรือเข้าใจว่าจิตกระทบกับอารมณ์เกิดผัสสะได้เพราะหูได้ยินเสียงและการได้ยินมาประชุมกันเหตุเกิดของผัสสะในขณะตำหนดว่าถูกหนอย่อมเข้าใจว่าการกระทบสัมผัสมีได้เพราะมีร่างกายมีสิ่งที่กระทบสัมผัสเหตุเกิดของการกระทบสัมผัส หรือเข้าใจว่าจิตกระทบกับอารมณ์เกิดผัสสะได้เพราะมีร่างกายสิ่งที่กระทบสัมผัสและการกระทบสัมผัสมาประชุมกันเหตุเกิดของผัสสะในขณะกำหนดว่าคิดหนารู้หนาหรือกำหนดหนาย่อมเข้าใจว่าการคิดการรู้หรือการกำหนดมีได้เพราะมีหัยวัตถุ มีอารมณ์ที่จิตรับรู้หรือเข้าใจว่าจิตกระทบกับอารมณ์เกิดผัสสะได้ก็เพราะมีหทยวัตถุอารมณ์ที่จิตรับรู้และการคิดการรู้หรือการกำหนดประชุมกันเหตุเกิดของผัสสะในขณะกำหนดว่าเห็นหนอได้ยินหนอถูกหนอ หรือคิดหนอย่อมเข้าใจว่าร่างกายหรือใจมีความสุขหรือทุกข์เมื่อจิตกระทบกับอารมณ์เหตุเกิดของเวทนาหรือรู้ว่าตนอยากได้รับความสุขยิ่งขึ้นเมื่อพบกับความสุขหรืออยากมีความสุขเมื่อพบกับความทุกข์เหตุเกิดของตัณหาหรือเข้าใจว่าตนมีความยึดมั่นเพราะอยากอยู่ดีมีสุข เหตุเกิดของอุปทานหรือเข้าใจว่าตนได้ทำพูดหรือคิดกรรมดีหรือกรรมไม่ดีเพราะความยึดมั่นเหตุเกิดของกรรม